เหลิญพรท่านสาธุชนพุทธบรยสัตว์บารสุบาศิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เป็นวันสุขที่แปมกราคมพุทธศักราช5 5 3เป็นวันพระวันธรรมสวนรณ วันฟังธรรมวันที่สาธุชนพุทธบริษั์ผู้มีความเชื่อในพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าได้มุ่งมาที่วัดเพื่อมาลำเพนประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทตาม ดังที่พระบระมศสสดาได้ทรงตัดไว้ในภาพปัจฉิ ม, มโอวาทว่าสำคัญทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทก็คือการเจริญมาราานาสติอยู่เสมอ ดังที่ทรงสอนพระอนุ์ให้เจริญมรณานุสติทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะถือว่าเป็นความไม่ประมาถ้าเราไม่ได้เจริญมรณานุสติเลยสแสดงว่าเราประมาทเพราะเหตุใดเมื่อเราไม่ได้ระลึกถึงความตายใจของเราก็จะหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุเ ข, ข้าของเงินทองต่างๆหรือบุคคลต่างๆเมื่อยึดติดแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้สิ่งต่างๆที่ตนยึดติดนั้นอยู่กับตนไปนานๆอยากให้ดีเสมอไปแต่โดยธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้ว น, นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังหมายความว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกขังแปลว่าเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปยึดไปติดไปยาให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่ลำลึกถึงความตายแล้วเราก็จะหลงยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะต้องทุกข์ทรมานใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในขณะที่จากกันไปเช่นวัตถุข้าของเงินทองเวลาอยู่กับเราเราก็มีความกังวลมีความห่วงมีความหวงมีภ า, าระที่จะต้องคอยดูแลรักษา ก็เป็นความทุกข์แบบหนึง่งและเมื่อถึงเวลาที่เขาจากเราไปหรือ เ, เราต้องจากเขาไปเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งทุกทรมามนใจเศร้าโศกเสียใจ <c oughs> นี่คือความหลงทำให้เราหลงยึดติดถ้าเราไม่เจริญปัญญาคือมรณานุสติ ถ้าเราจเจริญนอนรูส้สติอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่ยึดไม่ติดเพราะเรารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วเรากับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปคนละทางเราที่พูดอยู่นี้ก็คือใจส่วนทุกสิ่งทุกอย่างก็หมายถึงวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆรวมไปถึงร่างกายของเราด้วย เป็นสิ่งที่จะต้องมีการพักรากจากกันเป็นธรรมดาท่านจึงสอนให้เราเจริญมรณาหนุสติเสมอด้วยการให้เราเลกว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วต้องมีความตายเป็นธรรมดารวงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดพลาจากของรักทั้งหลายทั้งปวงไปไม่ได้นี่เป็นการสอนตนเองเป็นการเ ต, ตือนตนเองอยู่เสมอ เมื่อได้นำลกถึงอย่างนี้แล้วจะได้ไม่หลงอยู่กับการสะสมกับการสแสวงหาสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่จะต้องพัดพากจากกันไปแล้วเราจะได้มาหันมาสแสวงหาสิ่งที่จะไปกับเราได้สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเรา นั่นก็คือบุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราบำเพ็ญกันหรือการการสร้างประโยชน์สำหรับตัวเราและสำหรับผู้อื่นซึ่งมีอยู่สามประการด้วยกันคือ 1. ทําทำความดีทำหลายให้ถึงพร้อม 2. ละบาปทั้งปวงเสีย 3. ทํทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธ ชั่ะความโลภความโกรธความหลงเครื่องเศร้าหมองให้หมดไปจากจิตจากใจทุกเวลานาะทีของชีวิตพวกเราถ้าเราได้กระทําการกระทําทั้งสามนี้ถ้าเราได้ระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเราจะได้กําไรจากการได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเราจะได้สร้างทรัพย์ ที่เรียกว่าอาริยรั์ให้แก่ใจของเราใจของเรานี่แหละที่จะเป็นพระอริยะขั้นต่างๆใจของเรานี่แหละที่จะเป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าใจของเรานี่แหละที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใจของเรานี่แหละที่จะไปสู่พระนิพพานไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้เป็นได้หรือไปได้ ร่างกายนี้เป็นพระอริยะไม่ได้ไปภาณิพานไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้เพราะร่างกายนี้เป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองเม็ดเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟเมื่อตายไปก็จะแยกตัวดินน้ำลมไฟก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่ เวลาตายไปเ้วเอาไปเผาก็เป็นการแยกธาตุให้เหลือแต่ธาตุดิ่งก็คือเหลือแต่เศษกระดูกกับที่เท่าส่วนธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็แยกกันออกไปไปกันคนละทิศคนละทางน้ำก็ไปที่น้ำไฟก็ไปที่ไฟลมก็ไปที่ไฟดินก็อยู่กับดิน นี่คือร่างกายของเราไม่มีคุณค่าสาระอะไรที่จะน่ายึดติดที่จะน่าหวงแหนแต่เป็นร่างกายที่มีคุณประโยชน์มากก็ เ, เป็นเหมือนกับเครื่องมือหรือเป็นเหมือนกับรถยนต์ที่จะพาใจของเราให้ได้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ต้องมีร่างกายที่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะจะได้บำเพ็ญ บุญกุศลได้อย่างเต็มที่ถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพิกลพิการหรือไม่มีกำลังวางชาก็จะไม่สามารถบำเพ็ญปฏิบัติบุญกุศลทั้งสามส่วนได้คือความดีการทำความดีละบาและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ ต้องอาศัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ผู้ที่มีอายุครบบริบูรณ์20ปีบริบูรณ์ถ้ามีอินทรีย์มีบุญบรารมีพร้อมก็ให้ออกบวชเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญทั้งสามประการนี้ได้อย่างเต็มที่อย่าไปเสียเวลาสร้างครอบครัว สร้างฐานะการเงินการทองเพราะเป็นเหมือนกับการสร้างเจดีย์กองทรายที่อยู่ชายทะเลในเวลายับที่น้ำลงจะต่อให้สร้างให้วิจิตพิศดารสวยงามขนาดไหนก็ตามพอถึงเวลาน้ำขึ้นมาน้ำก็จะซัดเจดีย์ทรายที่สร้างไว้ไม่ให้มีหลงหลืออยู่เลยฉันใด ชีวิตของคาวว์การสร้างครอบครัวสร้างภรรยาสร้างสามีสร้างบุตรสร้างธิดาสร้างฐานะการเงินการทองต่างๆสร้างชื่อสร้างเสียงสร้างตำแหน่งเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปนี่คือสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราออกบวชกัน พอออกบวชแล้วเราจะได้สร้างมรรคผลนิพพานให้แก่ใจของเราใจของเราถ้าไปสร้างวัตถุเข้าของเงินทองไปสร้างลาบยศสารเสริญสุขเวลาไปนี้จะไปตัวเปล่าจะไม่มีอะไรติดตัวไปไม่มีอะไรติดตัวไปมีกอัอาจจะมีบาปติดตัวไปก็ได้เพราะเวลาที่เรามุ่งมั่นต่อการสร้างลาบยศสรเสริญสุข เราก็อาจจะไม่คำนึงถึงเรื่องศีลธรรมเราจะทำทุกอย่างทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เราต้องการมาเพราะเราคิดว่าตัวเราก็คือร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเราตายไปแล้วก็จบต่อให้ทำบาปมากน้อยเพียงไรทำผิดกฎหมายมากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถไปตามเอาถึก ร่างกายได้นี่เป็นความคิดของคนมืดบอดคนตาบอดที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมที่ยังไม่สามารถมองเห็นส่วนที่ละเอียดกว่าร่างกายก็คือใจของเราใจของเราคือผู้รับรู้ความรู้ต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเข้าไปที่ใจใจเป็นผู้รับรู้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายไม่รู้เรื่องอะไรถ้าร่างกายไม่มีใจมาครอบครองร่างกายจะไม่รู้อะไรเลยต่อให้ไปพูดไปกระซิบที่ข้างหูร่างกายก็จะไม่ได้ยินเสียงต่อให้เอาเอาเข็มไปทิ่มไปแทงร่างกายร่างกายก็จะไม่มีความรับรู้ความรู้สึกเลยเพราะร่างกายเป็นเหมือนกับท่อนไม้ท่อนฝืนนั่นเองเอามีดไปฟันท่อนไม้ท่อนฝฟิอนอย่างไร ท่อนไม้ท่อนซืนก็ไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใดผู้ที่มีความรู้สึกกืดใจผู้ที่รับรู้ความรู้สึกต่างๆคือใจนใจนี่แหละเป็นผู้กระทําการต่างๆเป็นผู้ทําบาปเป็นผู้สั่งร่างกายให้ไปช่อโกมให้ไปโกหกหลอกลวงให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ไปประพฤติผิดประเวณีเมื่อทําไปแล้ว ก็จะสร้างวิบากกรรมขึ้นมาภายในใจเหมือนกับน้ำถ้าเราเอาสิ่งที่สกปรกใส่เข้าไปในน้ำก็จะทำให้น้าสกปรกในทางตรงกันข้ามถ้าเรากรองสิ่งสกปรกออกจากน้าน้าก็จะใสสะอาดใจของเราก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำบาป ท, ทำกรรมก็เท่ากับเอาสิ่งสกปรกเข้าไปใส่ไว้ในใจของเรา ทำให้ใจของเรานี้สกโปรหรือคุณภาพของใจของเราเสื่อมลงเช่นเราเป็นมนุษย์แล้วเราไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกโหกหลอกลวงก็จะทำให้คุณภาพใจของเราต่ำลงจากการเป็นมนุษย์ก็จะต่ำลงมาเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับ บาปกรรมที่ทำไว้ว่ามีความรุนแรงมากน้อยอย่างไรเหมือนกับการทำผิดกฎหมายถ้าทำผิดกฎหมายไม่หนักโทษก็ไม่หนักถ้าทาผิดกฎหมายหนักโทษก็หนักถึงขั้นประหารชีวิตได้เช่นเดียวกับการทำบาปถ้าทำบาปแบบไม่หนักโทษก็ไม่หนักก็อาจจะเป็นเพียงเดรัจฉาน ถ้าทำหนักกว่า น, นี้ก็อาจจะไปเป็นเปรตถ้าทำหนักมากกว่า น, นี้ก็ต้องไปตกนรกนี่คือคุณสมบัติของใจที่จะเสื่อมตามบาปกรรมที่ทำมาในทางตรงกันข้ามการทำความดีหรือการชำระใจให้สะอาดก็เป็นการกลองสิ่งโสโปรกให้ออกจากใจเช่นการทำบุญให้ทานอย่างนี้ ก็เป็นการกรองสิ่งสโปรกคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองคือความโลภให้เบาบางลงไปผู้ที่ทำทานนี้จะต้องต่อสู้กับความโลภเพราะว่าความโลภนี้มีแต่อยากจะได้มากขึ้นไม่อยากจะมีน้อยลงการทำทานนี้เป็นการทำให้สิ่งที่เรามีอยู่นี้มีน้อยลงไปถ้าเราทำได้ก็จะทำให้ความอยากให้ ได้มากนี้มันน้อยลงไปความโลภก็จะน้อยลงไปความตะนีก็จะน้อยลงไปความทุกความไม่สบายใจที่เกิดจากความโลภความตะนีก็จะเบาบางลงไปความหิวก็จะเบาบางลงไปความสุขก็จะมีมากขึ้นความอิ่มความพอก็จะมีมากขึ้นนี่คือการกรองสิ่งที่สกปรก ให้ออกจากใจแล้วก็ยกฐานะของใจให้สูงขึ้นผู้ให้นี้ถือว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้รับ ผ, ผู้ให้นี้ถือว่าเป็นเหมือนกับเทพแต่ต้องมีศีลด้วยคือต้องรักษาศีลห้าให้ได้ครบถ้วนด้วยถึงจะเป็นเทพได้ถ้ารักษาศีลห้าไม่ได้ ก็ยังต้องไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกนี่คือ <c oughs> เรื่องของใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายและวิบากกรรมและผลบุญต่างๆที่เราทําไว้ก็ตามไปกับใจนี่แหละไม่ได้ไปที่กายกายไม่มีความรับผิดชอบไม่ต้องรับโทษหรือรับรางวัลเหมือนกับรถยนต์ รถยนต์เวลาคนขับรถไปชนคนตายเขาไม่จับรถเข้าไปขังคุกขังตารางทั้งๆ ท, ที่รถยนต์นี้เป็นผู้ชนคนตายแต่เขาจับคนขับที่ขับรถนี้ไปขังคุกไปลงโทษใจของเราก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์นี้ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์เวลาใจทำอะไรแล้วเขาไม่เอาโทษกับร่างกายตามกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้เขาจะเอาโทษที่ใจจะทำให้ใจมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ทรมานใจจะทำให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายส่วนร่างกายก็เป็นเพียงแต่ เ, เป็นผู้ที่รับผลพลอยได้ไปกับใจเช่นใจที่มีบาปก็ต้องก็ต้องไปอยู่ในครุ่ร่างกายก็ต้องไปอยู่กับใจด้วยในคุ่น แต่ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาไม่มีความรู้สึกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ได้เขาจะเป็นเขาจะตายก็ได้เหมือนกับต้นไม้เขาไม่เดือดร้อนแต่อย่างไรเพราะเขาไม่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องราวต่างๆนั่นเองผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจเวลาไปติดคุกใจนี่แหละเป็นผู้ทุกข์ทรมานใจ ไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็ยังอยู่อย่างปกติยังหายใจได้ยังกินข้าวได้ยังหลับนอนได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ผู้ที่มีความเดือดร้อนก็คือใจนี้เองดังนั้นอย่าไปคิดว่าการกระทำบาปหรือการกระทำบุญการกระทำบุญนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะเพราะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้จริงเห็นรจริงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสรูได้ด้วยพระองค์เองทรงรู้ใจของของพวกเราของสัตว์โลกทั้งหลายที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เพราะไม่รู้ว่าการกระทําต่างๆมีผลแก่ใจ และไม่รู้ว่าต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต้องไปทุกข์ทรมานเพราะไม่ว่าจะเกิดในภพไหนก็ตามจะต้องมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพลาดพลาดจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเป็นธรรมดา <c oughs> นี่แหละความประเสริฐของพระพุทธเจ้า ก็อยู่ตรงที่พระองค์ทรงรู้เรื่องใจของเรารู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและรู้จักวิธีที่จะหยุดยั้งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราจะไม่รู้เลยเกี่ยวกับเรื่องดวงจิตดวงใจจะไม่รู้เรื่องวิบาก เ, เรื่องเวียนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพาน แต่พอเรามีพระพุทธศาสนาแล้วเราก็เหมือนกับมีแผนที่เมื่อก่อนเราขับรถไปเดินทางไปเราจะไปจุดไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราอยากจะไปกันคือเป็นที่ไม่มีความทุกข์นั่นเองแต่เราขับกันไปอยู่มานานแล้วนานแสนานานแล้วแต่ก็ไม่เคยถึงจุดหมายปลายทางที่พวกเราต้องการจะไปกันสักครั้ง ก็ยังต้องไปเจอกับความทุกข์เจอกับความวุ่นวายต่างๆไม่รู้จักจบจากสิ้นยังต้องไปเจอเจอความแก่ยังต้องไปเจอความเจ็บ่า้ได้ป่วยยังต้องไปเจอความตายยังต้องไปเจอกับการพลาพาจากของรักทั้งหลายเพราะว่าเราไม่มีแผนที่นั่นเองเราไปตามไปตามอารมณ์ของเราไปตามความรู้สึกนึกคิด ซึ่งไม่ใช่เป็นแผนที่ที่ถูกต้องนั่นเองความรู้สึกนึกคิดของเราส่วนมากจะพาให้เราไปสู่ความทุกมมากกว่าไปสู่ความสุขกันมีคาสอนของพ่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราปรารถนากันคือที่มีแต่ความสุขอย่างเดียว ที่ที่ไม่มีความสุขที่ที่ไม่มีความเสื่อมที่ที่มีแต่ความสุขท้าวางไปตลอดนั่นก็คือพระนิพพานนี่เองพวกเราถ้าปรารถนาที่จะไปถึงที่นั้นเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคําสอนว่าเป็นสวาขาโตภะวตาธรรมโมเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งหมดถึงแม้จะมีถึง8ป0 0มี่พัพระธรรมขันธ์ล้วนเป็นความจริงทางนั้นล้วนเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราทางนั้นขอให้เราเชื่อทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าได้และขอให้เราปฏิบัติตามให้ได้เถิดและเราจะได้สิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐที่พวกเราทั้งหลายปรารถนาเช่นและที่ได้รับกันมาแล้ว ก็คือพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็เป็นผู้ที่สแสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์สแสวงหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอท่านได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วไม่นานท่านก็กลายเป็นพระ อ, อริยเจ้ากันขึ้นมาเป็นพระโสดาบันพระสกิดาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ในที่สุดได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยสิ้นเชิงด้วยอํนนานาจของพระธรรมธรรสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เราละบาปทั้งหลายทั้งปวงและให้เราชาระใจของเราให้สะอาดต่อไปสุดการทําความดีท่านก็ สอนให้เราทำทานให้เราบอยจากสิ่งที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อย่าห่วงเก็บเอาไว้ตายไปจะไม่ได้เป็นสมบัติของเราเอาติดตัวไปไม่ได้แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราเอามาทำบุญให้ทานเราก็จะแปลงเงินทองที่ไม่มีคุณค่ากับจิตใจให้กลายเป็นบุญเป็นกุศล ข, ขึ้นมากลายเป็นอริยทรัพย์ กลายเป็นทรัพย์ภายในขึ้นมาเหมือนกับเอาเงินนี้ไปแลกตั๋วเดินทางอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเราเอาเงินของเราออกนอกประเทศบางทีเราอาจจะใช้ไม่ได้เพราะบางประเทศเขาอาจจะไม่ใช้เขาไม่รับเขาไม่รับเงินของเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตั๋วเดินทางเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทุกประเทศ บุญกุศลนี่ก็เป็นเป็นเหนือยกับตัวเดินทางที่เราจะพกติดไปกับใจของเราได้ที่จะพาให้ใจของเราไปสู่สุขติไปสู่ภพชาติที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์และพาเราไปสู่พระนิพพานในลำดับต่อไปดังนั้นมีเงินทองมากน้อยเพียงไรเอามาแปลงเป็นอริยทรัพย์เถิดอย่าเก็บเอาไว้อย่าห่วงเอาไว้ ตายไปแล้วจะไม่มีอะไรติดตัวไปจะไปแบบขอทานทางจิตวิญ ญ, ญาณไม่ได้ไปแบบเศรษฐีทางจิตวิญ ญ, ญาณผู้ที่ทำบุญ ม, มากนี่แหละจะเป็นเศรษฐีทางจิตวิญ ญ, ญาณจะไปแล้วไม่ต้องไปรอรับส่วนบุญส่วนกุศลของญาติพี่น้องที่จะส่งไปให้เ<ไ>พราะเขาส่งไปได้เพียงนิดเดียวส่งไปได้แท่เท่ากับค่ารถเท่านั้นเอง เพราะจิตไม่ดวงวิญญาณไม่มีฐานะพอที่จะรับทรัพย์มากได้ไปกว่านั้นเพราะไม่ได้สร้างภาชนะเอาไว้ภาชนะก็คือบุญและกุศลนี่เองจึงขอให้พวกเราจงพยายทำทานให้มากเพื่อเป็นการทำความดีแล้วก็ให้เรารักษาศีลศีลห้าศีล8ศีล227เเพื่อเป็นการละบาปทั้งหลายเสีย แล้วก็ให้เราเจริญจิตตภาวนาเพื่อเป็นการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทําจิตใจให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการดูลมหายใจเข้าออกหรือด้วยการสวดมนต์ทำไปด้วยการมีสติและเลืรู้อยู่อย่างต่อเนื่องให้ให้สติดึงใจไว้ให้อยู่กับการบริกรรมให้อยู่กับลมหายใจหรือให้อยู่กับบทสวดมนต์ อย RTX, ่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้อยู่กับถ้าถ้าจะให้อยู่กับคําบริกรรมก็อยู่กับคําบริกรรมอย่างเดียวถ้าจะอยู่กับบทส่วนมนต์ก็ให้อยู่กับบทส่วนมนต์อย่างเดียวถ้าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวอย่าไปรู้กับเรื่องอื่นถ้าทําได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เมื่อใจสงบแล้วก็จะมีความสุข จะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่จะสุขเท่ากับความสงบสุขของใจดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้เสมอว่านัดลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงลดแห่งธรรมก็คือลดของความสงบนี้เองที่เกิดจากการทำสมาธิหรือเกิดจากการเจริญวิปัสสนาลดของความสงบที่เกิดจากการทำสมาธินี้จะไม่ถาวร จะสงบได้ชั่วยระยะหนึ่งแล้วก็จะถอนก็จะถอนออกมาพอจิตถอนออกมาแล้วความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปเมื่อจิตเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่มแต่งเริ่มคิดไปในทางกิเลสก็จะเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาถ้าอยากจะทำจิตให้สงบอีกโดยไม่ต้องเข้าสมาธิก็ต้องเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาด้วยการพิจารณาสิ่งต่าง ที่จิตไปชอบไปอยากได้ว่าเป็นไตรลักษณ์ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะปล่อยจะไม่อยากได้พอไม่อยากได้พอไม่โลภความรุ่มร้อนใจก็จะหายไปความวุ่นวายใจก็จะหายไปความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดจากความสงบก็จะกลับคืนมานี่แหละคือ รสแห่งธรรมเป็นอย่างนี้คือความสงบความสุขที่แท้จริงก็คือรสแห่งธรรมนี้เองไม่มีความสุขอื่นใดที่จะเป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุดด้วยการบำเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือศีลและสมาธินี่เองนี่ละคือ บุญกุศลที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันด้วยความไม่ประมาทคือให้เราทําความดีทั้งหลายให้เราละบาปกรรมทั้งหลายและชําระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยความไม่ประมาด้วยการเจาริญมรณานสติอยู่เสมอให้ละเลิกถึงความตายอยู่เสมอและเราจะมีศรัทธามีวิริยะ ที่จะประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเมื่อเราได้ปฏิบัติแล้วอั น, นิสงอันยิ่งใหญ่ก็คือลดแห่งธรรมก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญบุญกุศลตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ให้เราบำเพ็ญด้วยความไม่ประมาทนี้ เพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไห้เพียงเท่านี้ขอคุณพศีรัตนตรัยและบุญขุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันลักสณขภาพพระโดยทั่วหน้าการเธอ